จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เจ็ดมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสามเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศล เพื่อมาละบาปเพื่อมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนทุกๆคนปฏิบัติตามเพราะเป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเป็นสมบัติที่มีคุณค่า ยิ่งกว่าสมบัติอื่นใดในโลกนี้พวกเราชาวพุทธจึงไม่ควรทำตัวเป็นเหมือนกับไก่ได้พลอยไก่ได้พลอยนี้จะไม่รู้จักคุณค่าของพลอยของเพชรจะรู้แต่คุณค่าของตัวหนอนตัวไส้เดือนแต่ถ้าคนที่ฉลาดจะรู้ว่าเพชรพลอยนี้ มีคุณค่ามากกว่าตัว น, น้อนตัวไส้เดือนเป็นหลายร้อยหลายพันเท่าด้วยกันเช่นเดียวกับพระพุทธศาสนาหรือผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามพระพุทธศาสนามีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินทองกองเท่าภูเขาก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นฐานะใหญ่โตขนาดเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นดาราเป็นนางงามจักรวาล <c oughs> ก็ยังไม่มีคุณค่าเท่ากับ <c oughs> ผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆ เลื่ยยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งต่างๆนั้นเป็นของชั่วคราวเท่านั้นคือเมื่อร่างกายนี้ตายไปของพวกนี้ก็หมดสภาพไปผู้ที่เป็นเจ้าของเดิมก็ไม่สามารถเอาติดตัวไปได้เวลาตายแล้วใจต้องไปตามลำพัง ไปกับบุญกับบากที่สร้างเอาไวท้ทท้งนั้นแต่ไม่สามารถเอาสมบัติเข้าของเงินทองเอายศถาบรรดาศักดิ์ติดตามติดตัวไปด้วยถ้าเราสร้างบุญสร้างกุศลไว้มากเราก็จะได้เอาบุญเอากุศลนี้ติดตัวไปบุญกุศลก็คือผล เกิดจากการทำบุญให้ทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการปฏิบัติธรรมเกิดจากการฟังธรรมนะผลในทางศาสนานั้นก็คือมรรคผล น, ผนิพพานหรืออริยะบุคคลสขั้นด้วยกันคือโสดาบันสกิรดาคามีอนาคามีและ อาราหารันนี่คือผลที่จะเกิดจากการที่เราศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งผลเหล่านี้มีคุณค่ายิ่งกว่าข้าวของเงินทองยศถาบรรดาศักด์และความสุขต่างๆที่เรา แสวงหากันอยู่ในโลกนี้เช่นความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เมื่อเปรียบ ก, กับผลที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติแล้วต่างกันเหมือนฟ้ากับดินความสุขก็ต่างกันเหมือนฟ้ากับดินความสุขของเรานี้เป็นความสุขแบบสุขสุขดิบดิบสุขเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์แล้วก็ต้องไปหาความสุขมาเติมใหม่ แล้วติมได้เดียวเดียวมันก็หายไปมีความทุกมาแทนที่อยู่เรื่อยๆแต่ความสุขของมรรคผลนิพพานนี้ความสุขของพระอริยเจ้ า, าทั้งหลายนี้จะเป็นความสุขที่ถาวรจะเป็นความสุขที่อยู่ติดไปกับใจราะเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมาบำรุงบำเรอนั่นเอง แต่เป็นความสุขที่เกิดจากการทําบุญเกิดจากการละบาปเกิดจากการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ผลผลต่างๆก็เป็นผลที่มีคุณมีค่าอย่างยิ่งเช่นพระโสดาบันนี้เมื่อท่านได้เป็นโสดาบันแล้วท่านจะไม่มีพบชาติไม่เกินเจ็ดชาติเท่านั้น และพบชาติทั้งเจชาตินี้จะไม่มีในอบายคือจะไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปถึงแม้ว่าจะเคยทำบาปมามากน้อยเพียงไรก็ตามแต่วิบากที่จะพาให้ท่านไปเกิดในอบายนั้นไม่สามารถดึงท่านไปได้เพราะท่านมีบุญมีกุศลไว้ป้องกัน และพบชาติของท่านก็จะเหลือเพียงเจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้าท่านปฏิบัติทำขั้นสูงต่อไปได้พบชาติก็จะไม่ถึงเจ็ดชาติและภาในเจชาตินี้ก็จะเป็นภพของมนุษย์จะมีไม่เกินเจดชาติแต่ถ้าปฏิบัติทำขั้นสูงขั้นต่อไปได้คือได้เป็นพระสกิดาคามีคือเป็นพระอริยเจ้าขั้นที่สอง ภพชาติก็จะเหลือเพียงชาติเดียวแล้วถ้าท่านสามารถปฏิบัติทำให้สูงขึ้นไปก่อนนั้นได้ภพชาติก็จะไม่มีในภพของมนุษย์อีกต่อไปยังมีภพอยู่เหลืออยู่ในภพของพรหมเท่านั้นพระอนาคามีนี้สมมติว่าถ้าท่านไม่สามารถปฏิบัติทำขั้นสูงสุดได้แล้วท่านตายไปก่อน ท่านก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปท่านจะเกิดเป็นพรหมแล้วก็จะสามารถปฏิบัติธรรมในสวรรค์ชั้นพรหมจนบรรลุเป็นพระอารหันต์ได้พอเป็นพระอารหันต์แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปในทั้งสามภพคือในตราภพได้แก่รูปภพอรูปภพและกามภพที่เป็น ที่เกิดแก่เจ็บตายของสัตว์โลกต่างๆอย่างพวกเราเป็นต้นพวกเรานี้ยังต้องเกิดอยู่ในสามภพนี้จะสูงจะต่ำก็ขึ้นอยู่กับบาปกับบุญที่เราทำในการมภพนี้เป็นที่อยู่ของสัตว์คือมนุษย์และเทวดาและพวกเดรัจฉานพวกเปรตและพวกนรกนี่เป็นที่อยู่ของกามภพก๊ก นี่คือการมาพบคือที่อยู่ของผู้ที่ยังมีความอยากที่จะเสรกลางคือยังอยากจะเสรรูปเสียงกินลดผลธภัณยังอยากหลับนอนกับคู่คู่ครองอยากหลับนอนกับเพศตรงกันข้ามหรือเพศเดียวกันในสมัยนี้ก็มีก็เป็นเหมือนกันเรียกว่ากามาตัญหา หรือการมราคะถ้ายังไม่สามารถตัดราคาตันหาและกามราคาได้ก็จะต้องเกิดอยู่ในกามาพบนี้แม้แต่พระโสดาบันที่เป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งและพระสกิดาคามีพระอริยบุคคลขั้นที่สองก็ยังต้องเกิดในกามาพบนี้อยู่เพราะท่านยังไม่ได้ตัดราคาตันหา หรือกามราคะให้หมดไปจากจิตจากใจมีพระอนาคาเท่านั้นที่สามารถตัดกามราคะให้หมดไปจากใจได้และพระอรหันต์มีสององค์นี้เท่านั้นคือพระอนาคามีพระอรหันต์ที่สามารถตัดกามรกามราคะหรือกามตัณหา คือท่านจะไม่มีความยินดีในการที่อยากจะร่วมหลับนอนกับผู้หนึ่งผู้ใดเพราะท่านมีปัญญาท่านเห็นด้วยตาปัญญาตาในว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามท่านสามารถมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังได้ท่านจะเห็นโครงกระดูกเห็นปอดเห็นหัวใจ เห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้เห็นสิ่งต่างๆที่ไม่สวยงามที่มีซ่อนอยู่ภายใต้ของร่างของภายใต้ของผิวหนังพวกเหานี้ไม่มีตาในเพราะเราไม่ได้เจริญเราไม่ได้ศึกษาเราไม่เคยคิดถึงส่วนต่างๆที่มีซ่อนอยู่ภายใต้ร่างกายของเราเราจึงมองไม่เห็นส่วนที่ไม่สวยไม่งาม เวลาเรามองคนอื่นเราก็จะเห็นแต่ผมขนเล็บฟันหนังเท่านั้นเราก็จะหลงไหลไปกับผมกับขนกับเล็บกับฟันกับหนังว่าสวยว่างามว่าน่ารักน่ายินดีพอเห็นอย่างนี้ก็จะทำให้เกิดการมารา ค, าคือเ ก, เกิดความอยากในการอยากมีสามีอยากมีภรรยา อยากมีแฟนแต่สำหรับพระอน า, าคามีและพระอาหารหันต์นั้นท่านเจริญอสุภกรรมฐานคือพิจารณาดูความไม่สวยไม่งามของร่างกายอยู่อย่างสม่ำเสมอจนเห็นอยู่ตลอดเวลาเวลาเห็นร่างกายของใครก็ตามจะเห็นทุกสัตว์ทุกส่วนเห็นทุกอาการ เห็นอาการทั้งส2สองพวกเหล่านี้จะเห็นเพียงห้าอาการทท่านั้นแล้วก็เห็นในส่วนที่สวยส่วนที่งามส่วนที่ดีแต่เราไม่เห็นส่วนที่ไม่สวยไม่งามของอาการทั้งห้านี้เช่นผมเราไม่เห็นว่าผมสักวันหนึ่งมันก็ต้องงอกหรือร่วงโรยไปจนไม่มีผมเหลืออยู่บนศีรษะ เราจะไม่เห็นอย่างนี้เราจะไม่เวลาเห็นหนังเราก็จะไม่เห็นว่ามันจะต้องเหี่ยวต้องย่นนี่คือการเห็นของพวกเราเราเห็นด้วยกิเลสเห็นด้วยความหลงเห็นเฉพาะส่วนที่เราชอบที่เราอยากจะเห็นแต่ส่วนที่เราไม่ชอบเราไม่อยากเห็นนี้เราไม่ยอมมองกันเราไม่ยอมคิดกัน เมื่อเราไม่มองเราไม่คิดส่วนที่ไม่สวยไม่งามเราก็เลยกลายเป็นทาตของกามไปเราต้องเสกกามอยู่เรื่อยๆเพราะเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้เวลาเราอยู่คนเดียวเราจะมีความรู้สึก ว, าว่าวเวยเศร้าซ้อยหงยเหงาอาการนี้เกิดจากความอยากในการเกิดจากการเมตหาเกิดจากการเมตตา แต่สำหรับผู้ที่สามารถตัดการมราคะให้หมดไปจากใจได้จะไม่มีความรู้สึกว่าเว่เศร้าซ้อยเมง า, าหเหงาเวลาอยู่ตามลาพังกับมีความสุขมากกว่าอยู่กับคนอื่นเวลาอยู่กับคนอื่นแล้วกับรู้สึกลำคาญเพราะมีแต่เรื่องราวมีแต่เรื่องวุ่นวายต่าง อยู่คนเดียวนี่แสนจะสบายที่อยู่กันไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่กำจัดการมราคะการมตตัญหานี่เองเราปล่อยให้มันออกมาเพ่นพ่านออกมาแผงลงฤทธิ์เวลามันแผงลงฤทธิ์แล้วนี่เราจะรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเหงารู้สึก ว, าว้าวอยากจะหลับอยากจะนอนกับคู่ครองของเราหรือกับคนนั้นคนนี้ พอเราไม่มีคู่ครองเราก็ต้องพยายามไปหามาแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อเราได้คู่ครองมาแล้วเราก็ได้ความทุกข์มาด้วยเพราะเมื่อเรามีคู่ครองแล้วเราก็ต้องมีเรื่องราวกับคู่ครองของเราเพราะไม่เป็นไปไม่ได้ที่เราจะรักกันไปตลอดเวลาต้องมีบางวันที่อาจจะต้องทะเลาะกันบ้าง อาจจะไม่พอใจกันบ้างนอกจากนั้นแล้วถ้าเรารักเขามากเราก็จะหึงเราก็จะหวงเวลาเขาไปพูดไปทำอะไรกับคนนั้นคนนี้ทั้งๆ ท, ที่เขาไม่มีเจตนาที่อยากจะไปมีอะไรกับเขาแต่เขามีความจำเป็นที่ต้องทำงานหรือต้องทำธุระด้วยกันพอเขาไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่น เราก็หงหัวงไม่สบายอกไม่สบายใจหรือถ้าเกิดเข้าไปมีอะไรกับคนอื่นเราก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจหรือถ้าเขาตายจากเราไปเราก็ต้องร้องห่มร้องไห้นี่คือโทษของการมราคะที่พวกเราไม่ค่อยพิจารณากันไม่ค่อยคิดกันเวลาเกิดการมราคะแล้ว ก็เป็นเหมือนคนตาบอดต้องหาคนนั้นคนนี้มาเป็นคู่ครองเพราะถ้าไม่ได้หาแล้วจะมีความรู้สึกว่าเว่ยเศร้ า, ซ, าซ้อยหน่อยเหงามากนั่นเองแต่นี่ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่แท้จริงการแก้ปัญหาต้องแก้ที่ตัวการมราคะตัวกามตัณหา เราไม่ควรที่จะปล่อยให้มันพาให้เราไปหาคู่ครอง ม, มา <c oughs> เพราะว่ามันจะสร้างความทุกข์ให้กับเราแล้วกามาตัณหานี้ก็จะไม่หมดไปกับจะมีมากขึ้นไปเสีย อ, อีกคนบางคนพอได้แฟนคนหนึ่งแล้วแทนที่จะพอใจกับไม่พอใจกับอยากจะมีเพิ่มขึ้นอีก บางคนจึงมีภรรยามีสามีสองสามคนสี่ห้าคนเพราะอำนาจของกามะทันหานี้เองมันไม่มันไม่ดับไปเพราะเราทาตามคำสั่งของมันแต่มันกลับมีกําลังมากขึ้นไปถ้าเราอยากจะเอาชนะมันเราต้องตัดมันเช่นพวกนักบวชนี้เขาตัดมัน พระนี่เวลาบวชวันแรกพระอุปชาก็สอนก็มอบอาวุธให้แล้วคืออสุภะกรรมฐานสอนให้พิจารณาเกสาโลมานขาดันตาตะโจคือผมขนเล็บฟันหนังเพื่อที่จะได้เอามาเป็นอาวุธฆ่าการมราคะถ้าเป็นนักบวชแล้วไม่พิจารณาอาสุภะ ไม่พิจารณาความไม่สวยไม่งามก็จะบวชไปได้ไม่นานเช่นคนที่บวชส5้าวันเดือนหนึ่งสเดือนหรือปีสองปีหรือหปีหปีหรือบวชไปแล้วก็ต้องสึกออกไปนี้ก็เพราะสู้อานาจของการมราคะไม่ได้ทท้งนั้นรับรองได้ว่าทุกคนพอสึกออกไปแล้วนี้จะต้องไปหาความสุข ก, กับการหลับนอนกับผู้อื่น อย่างแน่นอนเพราะไม่ได้เจริญอสุภกะกรรมฐานไม่คอยพิจารณาความไม่สวยไม่งามของร่างกายอยู่เรื่อยๆนั่นเองถ้าคอยพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาเห็นของถูกอกถูกใจเห็นคนที่ชอบขึ้นมามันก็จะมาช่วยเรา ท, าทันทีมันก็จะทำให้เรานึกถึงส่วนที่ไม่สวยงาม ที่มีอยู่ภายใต้ของร่างกายทําให้เรานึกถึงโครงกระดูกนึกถึงบอดถึงหัวใจถึงตับถึงลำไส้เป็นต้นนะพอนึกถึงส่วนต่างๆเหล่านี้แล้วความอยากก็จะหายไปนะถ้าสามารถระลึกอยู่ในนี้ได้อย่างต่อเนื่องต่อไปก็จะไม่มีความอยากเนะพราะความอยากเกิดขึ้นมาไม่ได้นั่นเองเพราะ เราพิจารณาอยู่อย่างสม่ำเสมอเหมือนกับยาถ้าเรารับประทานยาอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องโรคภยคัยไข้เจ็บต่างๆ <c oughs> ก็จะไม่สามารถเกิดกับร่างกายของเราได้ <c oughs> เช่นเดียวกับการมราคะถ้าเราหมันพิจารณาอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะไม่ต้องไปมีคู่ครอง เราจะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขและมีอิสระภาพเพราะการมีคู่ครองนี้เป็นเหมือนเป็นทาสเพราะต้องเป็นทาสของคู่ครองของเราต้องคอยดูแลเขานอกจากนั้นก็ยังต้องเป็นทาสของลูกเพราะมีลูกจะต้องออกมาแล้วเราก็ต้องมาคอยเลี้ยงดูลูกลูกแต่ละคนนี้กว่าจะโตเป็นตัวของตัวเองได้นี้ จะต้องหมดเงินหมดทองไปเป็นแสนเป็นล้านถ้าไม่มีลูกเราก็สบายไม่ต้องเสียเงินแสนเงิ น, นล้านไปมีเงินแสนเงินล้านเก็บเอาไว้ใช้ได้อย่างสุขอย่างสบายทำไมเราไม่คิดกันอย่างนี้บ้างเพราะว่าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองเราไม่เห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่เปียบเป็นเหมือนเพชรเหมือนพลอยเรากลับไปเห็นคุณค่ากับความสุขจากการหลับนอนกับคนที่เรารักเราชอบเราก็เลยต้องคุกคลีเกือบเกลืออยู่กับความทุกข์ไปจนมันตายและเมื่อตายไปแล้วเราก็ยังจะต้องไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่อีกถ้าเราหาความสุขด้วยการวิธีที่ไม่ชอบ เช่นไปประพฤติผิดประเวณีหรือไปลักขมโมยเงินของคนอื่นมาเพื่อที่จะมาซื้อความสุขต่างๆเวลาเราตายไปเราก็ต้องไปใช้เวรใช้กรรมในอบายไปเกิดเป็นเดราชาญบ้างไปตกนรกบ้างไปเกิดเป็นเปรตบ้างเพราะนี่ก็คืออนิสงส์หรือผลของการทำบาทนี้เอง และเหตุที่พวกเราต้องทาบาปก็เพราะเราไม่สามารถกำจัดการมาราคะากามาตธหาที่มีอยู่ภายในใจของเรานั่นเองที่เราไม่สามารถกำจัดเพราะเราไม่มีเครื่องมือเราไม่มีการพิจารณาความไม่สวยใน่งานที่เราไม่พิจารณาเพราะว่าเราไม่รู้เราไม่เคยได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า คนที่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้เปรียบกว่าคนที่ไม่ได้ยินได้ฟังเพราะเขาได้รับอาวุธมาป้องกันใจของเขาเช่นนักบวชทั้งหลายที่เขาสามารถบวชกันได้ก็เพราะเขามีกรรมฐานคืออสุภกรรมฐานนี้เองเขามีการพิจารณาความไม่สวยไม่งามของร่างกายอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่อย่างสม่าเสมอ จึงทำให้เขาไม่หลงไม่เห็นว่าร่างกายนี้สวยงามแต่อย่างใดแต่กลับเห็นร่างกายนี้เป็นเหมือนผีดิบเป็นเหมือนผีที่ยังไม่ตายเท่านั้นเองเวลาที่แฟนเราตายไปเรา น, นอนกับเขาได้ไหมเช่นเขาตายวันตอนเช้าคืนนี้ครับเราจะนอนกับเขาได้หรือเปล่าทั้งๆ ท, ที่เขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เขาก็ยังมีอาการ312เหมือนเดิมอยู่ แต่พอเขาไม่มีลมหายใจแล้วทำไมเรากลับไปกลัวเขาขึ้นมาทันทีในขณะที่เขามีลมหายใจอยู่ทำไมเราไม่กลัวเขาทั้งที่ก็เป็นร่างกายอันเดียวกันมีอาการ32เหมือนกันนี่ก็เป็นเพราะเราถูกกิเลสหลอกนั่นเองเวลาตายปั๊บถึงจะเห็นความไม่สวยไม่งามเห็นผีขึ้นมาทันทีแต่เวลาที่ยังไม่ตายกลับไม่เห็นผี กับเห็นนางฟ้าเห็นเทวดากันนี่เป็นการเห็นแบบไม่มีเหตุไม่มีผลถ้าจะเห็นมีเหตุมีผลก็ต้องมองตามความจริงร่างกายนี้มันมีอาการสาสสองเท่านั้นมันไม่มีอะไรมากไปกว่า น, นี้มันไม่ได้เป็นเทวดามันไม่ได้เป็นนางฟ้าแต่อย่างใดมันเป็นเพียงอาการสาสสองถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่หลงกับ ร่างกายจะไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายเมื่อเราไม่ยึดไม่ติดแล้วเราก็จะอยู่คนเดียวได้อย่างสบายถ้าเราอยู่สองคนเวลาแฟนเราตายไปเราก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้มาเศร้าโศกเสียใจเวลาแฟนเราหนีเราไปจากเราไปเราก็ต้องเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้แต่ถ้าเราอยู่คนเดียวได้ เราก็ไม่ต้องมาองออร้องหอบร้องห้าไม่ต้องมาเสีย อ, อกเสียใจเพราะเราไม่ต้องพึ่งใครนั่นเองเราพึ่งตัวเราได้ทุกคนไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเราพึ่งตัวเราเองได้ไม่เช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงสอนอัตตาหิอัตโนนาโถตอนเป็นที่พึ่งของตนการเป็นที่พึ่งของตนได้นี่แหละดีที่สุด เพราะถ้าเราพึ่งผู้อื่นนี้เราจะต้องเศร้าโศกเสียใจเราจะต้องกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะทุกคนที่เราพึ่งนี้เขาเป็นเสียงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเขาไม่เขาไม่ไม่คงเส้นคงวาอยู่เสมอเราพึ่งเขาได้วันนี้แต่เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะพึ่งพึ่งเขาได้หรือเปล่าเขาอาจจะทิ้งเราไปก็ได้เราอาจจะจาก ตายจากเราไปก็ได้หรือก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้แทนที่จะเป็นที่พึ่งของเราเขากลับมาพึ่งเราก็ได้เช่นเราเคยพึ่งเขาให้หาเงินหาทอให้กับเราพอเขาเกิดอุบัติเหตุแขนขาดขาขา ด, ขาดหูหนวกตาบอดทีนี้ใค ร, รจะต้องเป็นที่พึ่งของใครกันเมื่อก่อนเราพึ่งเขาอย่างนี้เราก็ต้องกลับกายต้องให้เขาเป็นที่พึ่งของเรา เราพึ่งตัวเราเองยังพึ่งไม่ได้แ ล, แล้วเราจะให้เขาเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างไรก็จะอยู่อย่างทุกข์อย่างยากอย่างลำบากถ้าเราไม่หัดทำตัวให้เป็นที่พ ja ึ uh uh ่งของเราถ้าเราเป็นท uh uh ี uh ่พ uh> ึ่งของเราได้แล้วเราก็ไม่จาเป็นที่จะต้องไปพึ่งคนอื่นเราก็ไม่ต้องมาห่วงมากังวลมากินไม่ได้นอนไม่หลับว่าที่พึ่งของเราจะอยู่กับเรา เสมอไปหรือไม่หรือว่าเขาจะดีกับเราเสมอไปหรือไม่นี่ก็คือเรื่องของการมีที่พึ่งเป็นของตัวเองถ้าเรามีธรรมะมีคําสอนของพระพุทธเจา้าเช่นมีการพิจารณาความไม่สวยไม่งามของร่างกายอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะไม่คิดที่จะพึ่งคนอื่นเพราะเราสามารถมีความสุขในตัวของเราได้ เวลาเราชนะหรือเรากำจัดความอยากเนาการได้นี้ใจของเราจะสงบจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องอยู่กับใครแล้วก็จะไม่ต้องพึ่งคนอื่นเพราะเราสามารถพึ่งตัวเราเองได้การเลี้ยงชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเรานี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเย็นอะไรเลยทุกคนสามารถเลี้ยงตนเองได้ มีอาชีพสุจริตได้และกไ็ไม่ต้องมีเงินทองมากเพราะปัจจัยสี่ที่สำเนบเลี้ยงดูร่างกายของเรานี้ไม่มีอราคาแพงมากจนเกินไปเราจะสามารถอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขได้ถ้าเราน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพ่ะพทธเจ้ า, ามาปฏิบัติอย่างวันนี้เราก็ได้ ความรู้ไปสองอย่างด้วยกันคือหนึ่งการพึ่งตนเองสองการพิจารณาความไม่สวยในงามของร่างกายลองเอาไปพิจารณาดูสำหรับท่านที่ไม่ยังไม่มีคู่ครองส่วนท่านที่รู้ผู้มีคู่ครองแนละ้วก็ต้องคิดดูให้ดีก่อนเพราะถ้าไปพิจารณาอยู่มากๆแนละ้วต่อไปอาจจะอยากจะอยู่คนเดียวก็ได้ ต่อไปอาจจะไม่อยากจะอยู่กับคู่ครองแล้วก็ได้แต่ถ้าพิจารณาวไว้ก็ดีเหมือนกันเผื่อคู่ครองของเรานอกใจเราหรือจากเราไปเราจะได้ไม่เสีย อ, อกเสียใจเราจะได้รู้ว่าเราอยู่คนเดียวได้ถ้าเราไม่มีอารมณ์ไม่มีความอยากไม่มีการมาราคะอยู่ในใจของเรา จึงขอให้พวกเราจงเห็นคุณค่าของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับเราเห็นคุณค่าของเพชรของพลอยเ<ม>พราะมันมีคุณค่ามากกว่าเพชรกับพลอยหลายร้อยหลายพัยยนเท่าด้วยกันเพชรพลอยนี้ยังไม่สามารถกําจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจของเราได้ยังไม่สามารถกําจัดการที่จะต้องไปเกิดในอบายได ยังไม่สามารถกำจัดการเวียนว่ายตายเกิดของเราได้แต่ถ้าเรามีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราแล้วเราจะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องไปทุกกับเรื่องราวต่างๆอีกต่อไปเราจะอยู่อย่างมีความสุขทงในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และจะมีความสุขไปตลอดอนันตการ หลังจากที่เราตายไปแล้วเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้ากับพาาระอรหันตสาวโลกทั้งหลายกำลังมีความสุขอยู่ในขณะนี้พระพุทธเจ้าและพาาระอรหันตสาวโกนี้ยังมีความสุขอยู่ท่านไม่ได้ตายหายสาบสูญไปท่านเพียงไม่กลับมาเกิดเท่านั้นเองแต่ใจของท่านมีความสุขอยู่ตลอดเวลาไม่มีความทุกข์มาบรบกวน ใจเลยแม้แต่น้อยนิดเพราะท่านได้ชำระตัณหาความอยากทั้งหลายที่มีอยู่ในใจจนหมดสิ้นไปแล้วด้วยการละบาปด้วยการทำความดีด้วยการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดตัณหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปพวกเราก็จะสามารถเป็นอย่างพระพุทธเจ้าและ พระอาหารหันต์ตรัรอได้ถ้าเราทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจึงขอฝากเรื่องของการเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าเพชรกับพลอยทั้งหลายหลายร้อยหลายพันเท่านี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรยัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค้วแกราดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอ